ต่อจากนี้ 6 มิถุนายน 2540 ที่หมู่บ้าน พระเย็นสังคมจะเป็นสุขนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเหตุมันเป็นอย่างนี้มันไม่ สัจจะความจริงมันมีเหตุที่เป็นๆจะเป็นตั้งแต่สถาบันของครอบครัวจนถึงสถาบันสังคมอ่าสถาบันส่วน ไม่ว่าเท่าก็อบรมฝึกฝนเรียนรู้ทั้งนั้นแหละแก่เฒ่าสร้าง เป็นความหลงความเลอะความผิดพลาดแล้วก็สั่งสมแต่เรื่องโลภและโกรธลง สังคมเบ่งคนอื่นแล้วก็นิยมชมชื่อก็โอ้โหหน้าบูชาเค้าเจริญงอกงามเค้าใหญ่เค้าโตเค้ามี ใครจะได้เปรียบยังไงยิ่งได้เปรียบแล้วก็ตับเข้าใจผิดไปอีกว่า ฟังฟังที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยอาตมาใส่ความหรือเปล่าฮะใส่ความเหรออ่าอาตมาเผย พอพบความจริงนี้พวกที่เขามีอํานาจอํานาจทาง เมื่อมาทําแล้วมาถึงวัน สัจธรรมในรายละเอียดไม่จําเป็นที่จะต้องมาไปสร้างถึงจิตวิญญาณนะจิตใจของแต่ เปลี่ยนแม้แต่ทางนามมาทําอย่างที่กล่าวก็ไม่ต้องการไม่ต้องไปพูดถึงเลย จิตใจแบบนี้ยิ่งบริสุทธิ์ได้สมควรได้รับอ่าได้กินได้อยู่ได้ใช้ได้อาศัยอย่างโน้น แย่งชิงเห็นแก่ได้เห็นตัวอะไรก็มายแล้วแล้วก็มีสะสมโดยเค้าไม่เข้าใจสัจธรรมแล้วคน อาตมาจึงอยากจะให้พวกเรานี่ได้อย่าฉาบฉวยประเด็นที่อาตมาจะพูด อ่าทีนี้ตัวเราเองมาอยู่กับหมู่เพื่อนฝูงคนขยันเค้าก็ทําไปจริงๆก็ไม่ไม่ มันราคาแพงหนี้มันแพงกันน่ะคนมากินกินบุญของคนแพงไม่ ฉลาดเชโกผสมประเสริฐเข้าไปก็เลยไม่ไม่เกื้อกูลเพราะว่าสังคม แฟ้งกินแฟ้งใช้ขี้เกียจวันๆก็ได้แต่กินๆนอนๆเลี้ยงไปตรงนั้นตรงนี้พูดหวานพูดปลอกอะไร แล้วก็ขนขวายไปบอกแล้วไม่รู้กี่ทีกี่ครั้งแล้วพูดซ้ําๆถ้าเราขนขวาย นะคุณไปทํางานคุณก็ได้ค่าแรงงานมาดีไม่ดีไป เอาเปรียบเอาเสร็จแล้วต้องตายแน่นอนเข้ามากอบโกย ฟืนมาเอาไม่ได้จะป่นจะจี้จะฆ่าจะแต่แต่คุณไม่ได้แต่คุณจะได้ เกื้อกูลผู้อื่นเป็นเอาไว้เป็นของ มันไม่รู้สึกหนําใจมันไม่รู้สึกทิ่มแทงเข้าไปในหัวอกเลยนะว่า พอตั้งใจฟังดีๆอาตมาว่ามันไม่โง่เกินไปหรอกคนน่ะฟังได้นะไอ้ที่พูดเนี่ยอาตมาว่ามันไม่ยากเกินไปนะใช่มั้ยอาตมาว่าไม่ยากนะเดี๋ยวถาม อาตมาเข้าใจได้น่ะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึก พอมันสายซึมซึมไว้หมดขี้ก็ไม่ให้หมาดมไม่ต้องไปพูดแล้วว่าขี้ให้หมากินพวกนี้ พูดความจริงสังคมเป็นประโยชน์ทั้งความเป็นอยู่นี่เราพิสูจน์กันมาถึง อาตมาว่ามันไม่ชอบเพลงอะไรที่เราชอบๆร้องมันวันยังค่ำวันนึงไม่รู้กี่เที่ยวร้องวันนี้ สาวอบาวเปิดเพลงเนี้ยเอ่อซ้ําๆเนี่ยรู้จักกรรมรู้จักวิบากมั้ยรู้จัก <c oughs> เมื่อฟังรู้เรื่องมาปฏิบัติแล้วมันง่ายมาละทีนี้ปฏิบัติง่ายตามที่ว่านี่มั้ยง่าย มีส่วนหน้ามากก็ยากเออดีคนที่ทําได้อย่างนี้จริงๆไม่จริงตามปากว่านะเออมันง่ายมากกว่ายากนี่ดีอ่าอ่าบาง กลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวนั่นก็ตั้งแต่ที่ เราจะเป็นคนสร้างและเราจะเป็นคนให้พยายามตอนนี้อยู่ในระยะต้นสร้างเนื้อสร้างตัวมันก็กระเบียดกระเสียนแล้วก็โอ้โหอะไรก็มี เข้าใจเนี่ยเค้ามองเรามาเนี่ยเค้าจะเห็นเอง เพราะว่าเราต้องการใช้สิ่งเหล่านั้นกะหมอหนุนจุนเจือมาหมุนใหม่ๆนี่ผลๆสร้าง สิ่งที่ลงทุนไปแล้วเป็นรากเป็นฐานเป็นรั้วเป็น ลงไปลงไปลงไปมันก็จะ อาตมาว่าฟังดีๆเข้าใจได้และเราก็จะเป็นเช่นนั้นเกิดจากจิตวิญญาณ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าลดๆๆๆแล้วต้นว่าไม่อยู่อย่างขี้เกียจพอขี้เกียจไปก็ถึงที่ตายขยันไปก็ถึงที่มากๆก็อายุสั้น ใช่ไหมมั้ยอ่ามันมันมันเกินน่ะมันออกแรงมันโอเวอร์โหลดมันก็ขยันเกินไปก็จะขยันในให้เกิดพลังงานที่ซับซ้อนที่มันจะเกิดเพิ่มอย่างวัสดุก็ได้อย่างรถ มันจะใช้ไปได้ถ้า 2-3 เดือน 4 เดือนมันจะใช้ไม่ออกเลยแต่ 2-3 เดือนเนี่ยรถคันนี้แล้วนี่นะ ถ้าซื้อได้ขนาดนี้พอถึงเวลานึง 4 เดือน 5 เดือนเท่ากันนี่ จะอยู่ในสภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทํางานได้อย่างดีอยู่กว่าถ้าไม่งั้นปล่อยไว้งั้นน่ะ อย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างแค่วัตถุนี่ก็ได้คนก็นายะคล้ายกันทําให้สมดุล คือมันเป็นตัวของตัวกูของกูอยู่เต็มรูปเลยมันไม่ไปไปกระทบสัมผัสกับใครไม่ ไม่ดีนาเนี่ยถ้าเผื่อว่าหมู่กลุ่มของผู้ที่อยู่ด้วย ก็ไม่มีทางนี้จะรู้ ติงผิดบ้างติงถูกก็มีเยอะเพราะพวกเราไม่ได้ไปไม่ใช่คนไม่เรียนรู้ จึงหมายถึงๆของในกุศลอกุศลอย่างแท้จริงและเราก็จะได้เกิดประโยชน์ แล้วก็ได้รับการตั้ง หมู่บ้านศรีษะอโศกน่ะเป็นหมู่บ้านที่ 15 เป็นไง เรเรเราเราก็ทําไม่ได้ว่าเราจะอยู่ในสังคมประเทศ <c oughs> มันไม่ใช่ความเลวร้ายมันเป็นความดีที่แท้เหมือนอย่างที่ อ่าดูเหมือนคนยากคนจนกระจอกกระจอกเค้าก็ว่าพวกน่ะ <nhất> <nonsense> ยังมนต์ทิราว่ามีโรงงานอยู่ต้องไม่รู้โรงๆนะไปไหนไหน <c oughs> รองเท้าก็ไม่ใส่น่ะไปธนาคารไปแบงค์ก็ไปไหนๆๆ อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันกลับตะละปัดกันว่าเราสบายๆเป็นคนมักน้อยสนอดเรียบๆง่ายๆมันเป็นความสบายมัน ทุกวันนี้ยอมแพ้เลยอ่าจะอะไรอะไรก่อนแล้วสุดท้ายโอ้โหมันมีผลกระทบเยอะนะสามี ต้องยอมเลยทีนี้ต้องยอม แล้วก็มาถึงขั้นผัดหน้าพาตานะเสื้อผ้าก็คือไม่แหมเล่นชุดอโศกไม 100% ไม่ มันก็ถ่วงดุลนะทําให้เค้าไม่รู้สึกอับอายถ้าเค้าในระดับคนระดับนี้เค้าก็จะ ปฏิพานมีความคิดมึงก็ต้องสะดุดอะไรมึงเอาต่อๆต่อๆต่อๆออกไปเหมือนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจริงในสังคมเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมามีแต่คน เป็นคนเป็นข้าราชการประจําข้าราชการการเมืองข้าราชการอะไรที่มีหน้าที่อยู่ของประเทศเนี่ยเค้าก็ดูเค้าก็อะไรต่ออะไรเวลาเราจะทําโน่น ทั้งๆที่มันไม่เหมือนและโดยเฉพาะหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอะไร มันขลุกขลักกันอยู่อย่างนั้นน่ะพอเราไปพูดเข้าเค้าก็ไม่ได้ไม่ถูกต้อง แต่เราเองเราพยายามสร้างกลุ่มมนุษย์ชาติให้เป็นผู้ที่ไม่เป็นภาระของรัฐเลยยังอุตสาหะพยายามช่วยตนเองได้แล้วก็มีส่วน 1 แต ถูกได้เท่าไหร่เจริญเท่านั้นน่ะถูกก็ราคา เพราะฉะนั้นใครๆเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนเนี่ยมาได้ยินได้ฟังหมดไอ้หลัก นะอะไรๆของเราก็พอผาลน้อยเพราะเรากินน้อยใช้เพราะ เอามี 10 ครอบครัวทําอําเภอรวมกลางทุกคนก็มักน้อยจนโดดสละแล้วพอกินพอใช้ก็อาศัยกินกันไปรวมกันอยู่ทิศเอ มันจะบอกว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มั้ยอุดมธรรมดาเค้าเนี่ยต่างคนต่างดึงเอามากูก็เอามึงก็เอานะเอาต่างคน กองที่เราเอามารวมแม้เอามาน้อยต่อให้เราเอาได้มา เขาได้ 100 เราเอาแค่ 50 อ้าวของเราก็เร 50 มารวมไปไปไปมามาไป 1 ไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วๆไอ้คนพวกนี้ 1 ล็อกมันก็จะคน 20 คน แต่ระบบบุนนิยมของเราเนี่ยไม่มันจะเป็นอย่าง แล้วเราก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ขึ้นมารู้จักความพอเหมาะไม่เป็นที่รีบขุดรีบโกยรีบเอาอะไรอะไรขึ้น เนี่ยอาตมาไม่ได้พูดโดยเดา มันผิดทางมันถึงได้ล่มจมนี่สุศีในโลกจะ 60 ล้าน 60 ล้านคน อ่ามี of Peace หนังสือแมกกาซีนมีอะไร Agela หรืออะไร And Agela นะ Agela เขียนเค้าก็เขียนเค้า เอาพวกเรานี่แหละจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเป็นความหวังของของโลกขึ้นมาไม่ใช่ คนไทยก็ยังมีปัญญาคนไทยก็จะต้อง เถียงไม่ขึ้นว่าเอ็งดีเอ็งดีกว่าข้าด้วยซ้ําเอ็งดีกว่าข้านี่หว่าทําไมต้องไปทําเขาก็มันดีเกิน หาเหตุผลหาหลักฐานความจริงมาอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ว่าที่ ไม่ใช่เลยอาตมาแน่ใจว่าอาตมาไม่ได้พาพวกคุณเป็นเช่นนั้น แล้วยิ่งเข้าใจความจริงถึงนานมาทําเลยบอกว่าเราทําเช่นนี้แหละเข้าใจต่างกันกับแต่ก่อนที่เราเคยเข้าใจว่าเรามานี่เรามาอยู่จังนี้แล้วเราก็จนลงจนลงมันไม่น่าเสียใจที่ ตายที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อ่าไม่ได้ต้องไปติด อ่านี่แหละที่เรียกว่าท่านท่านเรียกว่าอ่าทุพโภทุพโภเป็นพวกที่เลี้ยงยากอ่ากินก็ไม่ยากไม่เลือกยาก ไม่ต้องเลือกเกินไปจะนอนอย่างนั้นอย่างนี้อ่าขลุขระบ้างอะไรบ้าง จะอยู่จะกินจะไปจะมาจะอะไรจะอะไรก็ไม่ลําบากไม่ยากไม่เป็นภาระไม่วุ่นวายไม่เรื่องมากเป็นคนเลี้ยง ก้าวหน้าให้ลดกิเลนลงได้ดีอ่าอดทนก็แก่งขึ้นกตัญญูก็แต่ดึงไม่เป็นคน เป็นคนมักน้อยนะเป็นคนสร้างสรรค์มากอ่าอ่ายิ่งไม่ ดาวเธอกับมักน้อยไปตามลำดับมีความหมายอาตมาใช้คํามักน้อยเรียกว่ากล้าจนแปลอัปปิจฉะนี่ 9 ประโยคทั้งหลายบอกไอ้นี่มันไม่ เข้าทันสมัยดีมากด้วยนะถ้าจนแล้วก็ไม่ใช่ว่ากล้าจนๆแหมบ้าๆบอๆเลยนะจะจนไม่เข้าทานทั้งที่ตัวเองฐานะก็ยังไม่พออินทรีย์พละก็ยังไม่พอแหมจะจนมันทานเดียวตายสิไม่มีใครอุ้ม ที่ดีแสนล้านเค้าก็พอใจในของเค้ามีอยู่ๆก็ ต้องไปขาดแคลนอะไรเพราะเราก็อุดมสมบูรณ์ดีมันจะไปมีปัญหาอะไรเราก็อยู่ตามพอเหมาะพอดีพอควรพอนอกนั้นก็แจก ไม่สะสมสะสมแม่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ทุกวันไม ดาษเตอาการที่น่าเหลื่อมใส บอกไอ้คนนี่หน้าเลื่อมใสนะไม่ใช่คนบ้าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่โอ้โหมักน้อยสันโดษสร้างสรรค์ ยืนยันว่านี่เราไม่ได้มาทําเล่นลิเกอ่ามักน้อยสันโดษมามามัก แล้วก็ยืนยันของเราปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปีสิ่งนี้คือสัจจะยืนยงมั่น แก่พวกเราว่าพวกเราเนี่ยมาสร้างภาพหรือเปล่าหรือว่ามามาอุตส่าห์ <c oughs> ธรรมะอันมีการขัดเกลาถ้าไม่มีอะไรขัดเกลากันเลยนี่น่ะไม่เจริญหรอกในโลกใครจะทําอะไรก็ทําไปคนนี้ออก เพราะแม้จะเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆของคนนั้นคนนี้ก็เอามา ไม่มีอะไรที่จะจะสนุดอะไรเลยคอยดึงไว้เนี่ยมันดีเกลาอย่างโน่นกับท่าทีกับสำนงสำเนียงภาษาที่มันดูดีหน่อย สัตว์เสียมเหี้ยนเสียมเหี้ยนมีสนิมอีกซ้ํามันหนักไปนะแรงก็เยอะด้วยนะ มันไม่เข้าหรอกแต่ว่ามันก็ทะลอกเอ๊ะเรานี่ ปรับไม้ปรับเป็น ตายแล้วก็ไม่กลัวพวกเราจะขัดเกลากันไม่เป็นไม่กลัวเลยหมัดการ เพราะเข้าใจแล้วล่ะวิธีการขัดเกลาอาตมาเชื่อแน่พวกชาวอโศกๆนะที่ เนี่ยเค้าถือตัวถือศาลเค้ายึดยึดมั่นเค้าก็เอาอย่างนั้นก็ไม่ สิ่งอย่างนี้ถึงจะพูดยังไงก็ตามแต่อาตมาว่ามันก็เป็นสัจจะของมันนะสังเกต ถ้าเอาล่ะเข้าหาเรื่องเก่าอีกก็คือเรื่องของวิบากเรื่องของกรรมเรื่องของมนุษย์มันมาด้วยวิบากไปด้วยวิบาก มีกรรมมีวิบากนี่เป็นเครื่องอาศัยไปตลอดพาเกิดพาเป็น หลวงพอเดี๋ยวก็ตกสวรรค์ใหม่ตกแล้วก็ค่อยๆตายขึ้นไปใหม่ภาคเพรียงที่อยู่นั่นน่ะอ้าวขึ้นใหม่วนเวียนนี่แหละเรียกว่าสังสารวัฏสวรรค์หลวงกับนรกแท้อ้ะนรกมันจริงแล้วก็นะสวรรค์นี่มัน มาแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วตกแอบแล้วตกนานเลย มันตรงที่เรียกว่าเรียนรู้สัจธรรมซอนลึกลงไปเลย อย่างน้อยขึ้นคานโสดาบันนี่ก็เที่ยงแท้ระดับนึงแล้วสกิทาก็ขึ้นไปอีกอนิคอนาคค นิมนต์เกิดเลยจะเวียนวนอยู่ในโลกนี้อีกโลกไม่ขาดทุนโลกไม่ แล้วแต่ที่เขาเข้าใจกันว่าเป็นวิสุทธิเทพอ่ะเจ้าแม่กวนอิมอ่ะก็ว่ากันไปก็จิตมีจิตมี ท่านสัพพปาปัสสะอกะระณังแล้วท่านไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วกุศละเลยไม่ว่ากันถ้ามาก็ เราต้องการอย่างนี้และอย่างนี้เป็นจริงมั้ยมาพิสูจน์กันอ่าอย่างนี้เป็นๆจนกระทั่งแล้วก็ทํามาทุกวัน พาแรกๆเนี่ยพวกเราอย่างโบราณเข้าใจอย่างคอนเซอร์เวทีฟ เป็นตุดาราตุกตาทองชั้นนึงเลยแสดงปูปาสปูปาสนน มันก็ไปไม่ออกอาตมาก็ นะชีวิตเราก็สร้างสรรค์สิ่งที่เราก็สะสมจะสะสมอะไรไม่ใช่ไม่นะนะนะ 8 ข้อก็ เอาจริงเราก็ไม่สะสมกองกิเลสจริงๆเลยเพราะว่าเรานี้เราอาศัยเท่านั้น ว่าเป็นของตัวของตน ที่สุดแม้จะอยู่แต่เหลือแต่ว่าปากพูด ทั้งรูปทั้งนามทั้งวัตถุธรรมทั้งทุกอย่างละเป็นอยู่ทํา